พระองค์ก็คงเเห็นแล้วว่าที่นี่คงจะเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะปฏิสถานพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้เป็นอันดับแรกก็มีพระราชาที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์คือพระเจ้าพิมพิสามนั้นแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือที่ประทับของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็เป็นสถานที่ปฏิสถานธรรมะเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงตรงนี้จึงเป็นเสมือนหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าพระพุทธศาสนามาเริ่มต้นปฏิสถานพระพุทธศาสนาตรงนี้และพระองค์ก็ประทับอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ ดานเดินมาจากประเทศไทยแล้วก็มาถึงสถานที่แห่งนี้สมความตั้งใจของเราแล้วแล้วก็มาถึงเป็นกลุ่มแรกด้วยมีที่นั่งพอที่จะฟังธรรมได้มีสแสดงว่าบุญของเรากุศลของเราที่เคยจะทำบำเพ็ญมาที่ ได้มีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์ก <c oughs> ็มีความที่บริบูรณ์สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราเดินทางมายังสถานที่สําคัญของ พ, พุทธศาสนา <c oughs> แล้วก็ได้ฟังธรรมของพระองค์จริเ <c oughs> พราะว่าพระองค์สอนความจริงเท่านั้นแหละอย่างสถานที่แห่งเนี้ลองคิดดูที่เรามาเนะี่ยตนะโกนเนี่ยเป็นกรุงราชพฤก์กรุงราชพฤก์ก็คือ เป็นเมืองหลวงของครั้นี้ก็คือใหญ่โตมโหฬารล่ะแต่ตพอเราผ่านไปมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นหมดแล้วเป็นชนบดไปหมดแล้ ว, นนบบ ม, ลวมันไม่ได้เป็นเมืองหลวงอย่างเดิมแล้วอันนี้ก็มันก็สอนจิตเรานั่นแหละคือความจริงนี่มันทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเสื่อมชิ่นสลายไปทั้งเปลี่ยนแปลงในทางที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นภายนอกมันเสื่อมไปที่เรามาแต่ว่าภายในใจของเหล่านี้ ต้องให้ธรรมะมันจเจริญขึ้นถ้าเรามายังสถานที่แห่งนี้แล้วมันจะตุ้นเตือนให้จิตใจของเราเนี่ยมุ่งมัน่นที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นเพื่อมันรู้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆร อ, ยอันนี้ก็แสดงว่าเราพยายามที่จะทําให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นเลยเนี่ยจเจริญขึ้น เพื่อที่จะให้มีทางออกจากทุกข์ไม่ใช่จเจริญเพื่ออย่างอื่นเลยนะอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดที่พระองค์ระดับทุกข์ภายในพระทัยได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่พระองค์ยังเหลืออยู่ที่พระองค์จะต้องทรงกระทําบําเพ็ญตามปณิธานของพรองค์นั้นก็คือเผยแผ่ธรรมะที่พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วนั้น ให้เข้าถึงจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายหรือว่าของผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์ก็เพื่อออกจากทุกเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ได้ค้นแล้วเพราะฉะนั้นสมบัติที่แท้จริงของแต่ละคนนั้นน่ะที่จะเป็นสมบัติชนิดที่ถาวรเป็นสมบัติจริงๆก็คือความพ้นทุกความออกจากทุกนอกนั้นสมบัติอย่างอื่นน่ะจะเป็นเงิน ข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยมันทิ้งไว้บนโลกนี้หมดเลยเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถยนต์เป็นเงินเป็นทองเป็นเครื่องใช้ไม้สอยจะดีวิเศษขนาดไหนก็ตามเมื่อเราตายไปเอาไปไม่ได้เลยนี่อานนีพระพุทธเจ้ามีทนุกุโปูงไปหมดแล้วท่านจึงสอนไม่ให้เราไปยึดไปติดไป้อง แต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ใช้ไปแต่อย่าไปหลงมันอย่าไปเป็นทาสมันต้องเอา ม, ามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อออกจากทุกนี่แหละจึงจะสมกับที่เราเหนื่อยยากลำบากสแสวงหาเอาของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยเหล่านั้นเพราะเมื่อเราตายแล้วเราต้องทิ้งมันแน่นอนมันก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งมัน นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปนุ่มหลงกับสิ่งใดเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันติดตามเราไปไม่ได้ตลอดไปไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราเป็นแค่เป็นปัจจัยเป็นเครื่องใช้แต่เป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่เมื่อมีชีวิตต่อไปได้ถ้าหากว่าเราไปยุ่มหลงสิ่งอื่นๆ มันก็ทําให้เราเนี่ยงมงายลื่มหลงไปทําให้เรายึดติดข้องเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นไปนหมด <c oughs> ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าอีกเพื <c oughs> ่อให้ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นต้องพยายามออกมาให้ได้ออกมาก็คือต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคําสอนที่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจรงิงและวก็ตรงเข้ามาหากิตของเราเพื่อให้เรารู้ความจริงเหล่านั้นแล้วพยายามที่จะ ถอนออกมาจากอุปทานยึดติดข้องในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายังสถานที่แห่งนี้มันถ้าหากว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสําคัญและกระตุ้นเตือนจินตของเราให้ระลึกถึงพระประสงค์ของพระพุทธเจา้าเข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์แล้วเราก็ระลึกขึ้นมาว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราก็ควร <c oughs> จะต้องพยายาม จะเดินตามลอยบาทของพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือพยายามที่จะนำเอาคำสอนของพระองค์มาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตพยายามที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นคาว่าจเจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยหมายความว่าเพื่อออกจากทุกข์นั่นก็คือจิตของเรามันเป็นธรรมชาติที่มันซัดสา ธรรมชาติที่มันจะต้องออกไปรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติของจิตมันต้องออกไปรู้มันต้องขยับเนื้อขยับตัวต้องมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมชาติอันนี้ก็ต้องสอนให้เจริญสติพยายามสอนให้รู้สึกตัวพยายามสอนให้เราเนี่ยพยายามสัมรวมระวังรู้สึกตัวเพื่อให้ตัวสติตัวนี้มันควบคุมจิตได้ให้มันเป็นตั้ม ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปกับอารมณ์ภายนอก mm. เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเราก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันขณะที่เราฟังอยู่นี้มันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอยู่รอบเราทั้งที่เราทั้งที่เห็นทั้งที่ได้ยินแล้วก็ทั้งที่ไม่เห็นหรือว่าเขามองเราอยู่หรือเขาอนุโมทนาเราอยู่หรือเขาฟังเราอยู่มันก็มีทั้งนั้นทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นเราสัมผัสได้ด้วยจิตของเราแล้วก็ ทั้สัมผัสได้ด้วยอายะตนะของเราตามธรรมชาติคือมีทั้งรูปรูกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างรวมทั้งที่ต้องสัมผัสได้ด้วยจิตใจของเราถ้าหาว่าเราสัมล้อมระวังจิตของเราจิตของเราก็อยู่กับตัวเราได้จิตเหล่านั้นก็มาสัมผัสเองเราก็รับรู้ขึ้นมาได้แต่อีกอนหนึ่งจิตของเรามันไหลออกไปมันไหลออกไปทุบแล้วก็ปรุงแต่งไปคิดนึกปรุงแต่งไป อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตทุกดองจะต้องไปรู้อารมณ์แล้วก็น้อมไปช่วยอารมณ์ด้วยอะไรมาเกี่ยวข้องมันน้อมไปบางอย่างมาเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวมันก็ออกไปได้อีกแต่โดที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันมีสิ่งที่มาพูดกับเรามาสะกิดเรามาสนใจเรามันก็ดึงดูดจิตของเราไปได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะรับรู้ธรรมชาติเหล่านี้ได้ มันก็มีผลต่อจิจเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยคําสอนของพระพุตธเจ้าสํารวมจิตเอาไว้มันขยับไปทางไหนให้รู้เนี่ยมันชั่งคญอยู่ตรงนี้เราจึงไม่สนใจข้างนอกแล้วข้างนอกอะไรจะเกิดก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมันจะเกิดก็เกิดไปแต่ว่าเราหันเข้ามารักษาจิตของเราไว้เพราะนั้นพระ อ, องค์ก็สอนว่าให้มีความเพียรก็เพียรก็คือเพียรมีแหลัก <c oughs> เพียรจริลภสติเพียรสํารวมจิต <c oughs> เ, เพื่อที่จะให้มีสติ เพราะนั้นพระองค์กสอนให้มีสติมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้เกิดปัญญาต่อไปขั้นต่อไปก็คือมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาตั้งแต่ขั้นต้นๆแล้วก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันก็คือรู้ว่าเอออันนี้อะไรสิ่งที่เกิดขึ้อนอยู่รอบตัวเราเป็นเพียงข้างนอกแต่ความสําคัญคือจิตของเราคือภายในว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้าง มันก็เลยมาสําคัญอยู่ตรงนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยจิตของเรามันก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งดิ่มดําเข้ามาข้างในตัวสติก็ยิ่งมีกําลังเพิ่มขึ้นสมาธิก็คูอจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆหรือมีอารมณ์เดียวเขาเรียก ว, ว่าเอกกคตารมณ์หมายก็ว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือตัวสมาธิเพราะมันจดจอ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นๆเนี่ย มันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจิตขอ <c oughs> งเรามันจะรูอ้อยู่ที่อารมณ์ทีละจุดทีลขณะทีละขณะเพราะฉนั้นตอนนี้มันมาอยู่ที่อารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจดจ่ออยู่จดจ่ออยู่จดจ่ออยู่อารมณ์อื่นมันจะจางไปคลายไปเพราะว่าจิตของเราไม่ได้เอาเข้ามานึกคิดปุงแตง่เพราะฉะนั้นหลักอันนี้ก็สําคัญด้วยที่จ้าก็สอนเพื่อให้มาตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปยินดียินร้ายกับอะไรเพราะว่าถ้าไปยินดีร้ายจิตเราก็ไหลออกไปเหมือนกัน ไหลออกไปจนกระทั่งมีความยินดีเกิดขึ้นที่แรกมันไหลออกไปเราไม่ทันมันจนมันยินดีวนเวียนอยู่ในจิตมากมายแล้วเราจึงค่อยรู้บางทีกําลังเราก็สู้ไม่ได้เพราะว่ามันหนยที่คนต่อใจเรามากแล้วบางทีก็ไปยินลายมันไปที่แรกก็ไม่รู้อีกไม่รู้ว่ามันรับเข้ามาในจิตแล้วมันก่อตัวขึ้นมาแล้วเพราะวิภาษาปั๊บมันมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราไม่ทันตรงนี้พอไม่ทันมันก็ ปรุงแต่งมากมายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในจิตแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรียบร้อยเลยรู้แม้จะทั้งขบวนการที่มันจะเกิดทุกข์ขึ้นในจิตในใจของเราเพราะอะไรเพราะว่าเรามีตาหูจมูกนิ้วกายใจ <c oughs> ก็ต้องมีกระทบกับสิ่งแวดล้อมแน่ๆเพราะเราก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งอะไรทั้งมองเห็นตัวแล้วมองไม่เห็น มีส่วนที่จะมากระทบตัวเราคาว่าตัวเราในที่นี่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะหกอย่างนี้เท่านั้นที่จะเป็นตัวเชื่อมเป็นรอยต่อให้อารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันไหลเข้ามาหาจิตของเราได้ถ้าว่าเราสํารวมเราทําอารมณ์เหล่านั้นก็เฉพาะรู้ว่ามันกระทบเพราะมันมีอยู่ เราก็มีตาหูจหมูกยิ้งกายใจแล้วมันก็มีโอกาสกระทบเนตหนีไม่พ้นแต่ว่าพอกระทบแล้วเรามีสติคุมจิตเราได้ยับยั้งจิตเราได้จิตเราก็เป็นปกติได้ทีนี้เป็นปกติพราจิตมันกระทบปั๊บมันรู้สึกขึ้นมามันรับขึ้นมามีจะเห็นทันเลยนะจิตไม่พอใจมันนับเนี่ยมไม่พอใจนิดเดียวแค่นี้นะที่มันสร้างเรื่องสร้างเรามากมายนะไม่ได้มากหมายนะถ้าใครสังเกตรับหนึ่งถ้าไม่ทำนะ ไม่ทันมันจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วมันก็จะนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นล่ะซ้ําแล้วซ้าเล่าก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการถ้าพอใจก็อยากได้อยากเอาอยากเอาเข้ามาอยากให้มันเป็นสมบัติของเราถ้าไม่ต้องการก็อยากมันหายไปไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากมันมีอยู่ในโลกอยากทําลายเนี่ยมันก็จะเกิดความยินดียินไล่ขึ้นตรงนั้นแหะถ้าเราไม่ทันขบวนการที่กอ่อเกิดทุกเหล่านี้ความคิดนึกยุงแต่งก็จะมากขึ้นมากขึ้น แล้วมันก็เป็นเกิดเป็นตัวกูของกูนี่แหลชาติการเกิดนี่มันเกิดเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วตั้งแต่ทีแรกจากนั้นถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านี้มันขั่งค้างอยู่ในจิตของเราหรือว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเราตายแต่พร้อมกับอารมณ์นี้นี่แหละมันถักดําให้เราไปเกิดเขาจึงเรียก ว, ว่าชาติเมื่อมีการเกิดต้องมีทุกข์แน่ๆเลยเพราะนั้นทุกข์นี่มันเกิดขึ้นในจิตก่อนแล้ว แล้วมันจึงไปเสวยผลเกิดหลูกนามมาลองรับอาจจะเป็นคนเป็นสัพว์เป็นศัพว์ น, นโกเกิดอาชุนกายอะไรก็ช่างมันก็ไปจากจิตของเหล่านี้เราทันหรือไม่ทันขบวนการที่มันก่อเกิดเป็นทุกข์โทษเวรภัยในจิตใจของเราพระพุทธเจ้านี่ทรงพระเมตตามากคาสอนของพระองค์พยายามตรงมาที่นี่แต่ที่นี้มันจะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนนะบางทีพระองค์ก็ต้องลดลงไป ถอเนเรื่องธรมบางเรื่องศีลบางเพื่อให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามขึ้นมาเพื่อจิตใจมีความสุขความสบายจนสามารถทําสมาธิได้สามารถเจริญวิปัสสนาขึ้นมารู้เท่าทรรอาการที่มันมีทุกข์กอเกิดขึ้นในจิตของเรารู้เหตุแห่งทุกข์ว่าก็คือจิตของเรานี่แหละที่สติ ป, ปัญญาของเราไม่ทํามันพอมันก่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆ เป็นขบวนการกอเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตของเราเพราะฉะนั้นความสําคัญมันอยู่ตรงที่การฝึกจิตนี้ถ้าใครมีการเริ่มต้นและมีการเพียรพยายามแล้วก็มีความตั้งของตั้งใจก็เท่ากับว่าเราพยายามเดินตามทางของพระบุทธเจา้าเพราะว่าถ้าเดินตามรอยคนอื่นเนี่ยก็จะสอนกันให้ไปเอา้าหาเงินหาทองเยอะๆทำการทํา ง, งานมากๆให้ได้ทรัพย์สมบัติได้นำได้มีได้ลาบได้ยศ ได้อํานาจวาดนาบารมีมันก็จะไปแบบโลกเขาแต่พระพุทธเจ้าทวนเข้ามาทวนกระแสะโลกเข้ามาหากระแสะใจของเราเข้ามาหาจิตของเราชึ่งเห่านั้นเป็นเครื่องอาศัยปฏิเสธไม่ได้เลยเราก็ต้องทําการทํางานแสวงหาแต่แสวงหาว่าด้านหนึ่งเราไม่ทิ้งว่าต้องแสวงหาทางออกให้กับจิตเราด้วยอีกด้านหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของเรา เมื่อเราตายไปสมบัติทั้งหมดที่เราหาเอาไว้ก็จะต้องคืนให้แกแผ่นดินคืนแกโลกเขาเพราะมันเป็นสมบัติของโลกเพราะมันถูกสอนให้รู้จักแบ่งปันรู้จักมีเมตตาต่อกันเพราะว่าไม่ช้าไม่นานแต่ละคนก็ต้องจากโลกนี้ไปต่างคนต่างก็ไปตามเหตุตามปัจใจของแต่ละคนถ้าเรามมวแต่ไปเอาเรื่องคนอื่นๆเข้ามาหมกมุ่นคนอยู่ในจิตของเรา มันก็จะทําให้เราเสียเวลาเนิ่นช้าต่อการที่จะออกจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้แล้วเราจะไม่เสียเวลาเราจะสํารวจจิตใจเราเข้ามาแล้วเราก็รู้แล้วด้วยว่าเหตุที่มาของความทุกข์ทั้งหมดก็คือจิตของเราที่มันมีความหลงนะ่ะที่มันขาดการปัญญาเข้าไปควบคุมดูแลรักษาแล้วมันก็มีความไม่รู้ความหลงงอนเนื่องอยู่ในจิตของเรา ที่น่าพวกอวิชชาพวกความหลงเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่แว่ามันนอนเนื่องรอเวลาเฉยๆอย่างที่ว่าเสียงปั๊บอย่างวิเสียงคนดังขึ้นมาถ้าจิตของเรามันรับออกไปหุนหินลําคามขึ้นมานี่คือตัวอวิชชากาะเกิดคือมันเกาเกิดขึ้นตรงนี้ตรงที่มันกระทบอารมณ์นี่ตรงที่เราขาดสติเข้าไปรู้เท่าทันนี้หรือว่าเราเห็นปั๊บเดีย๋ยวมันรับเข้ามาในจิตมันกระเพื่อมตัวแล้วในจิตของเรารับเดียวตรงนี้คือผัสสะ แล้วมันเกิดเวทนาแล้วมันเลื่อนเร็วแต่ว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้ปัก๊กมันจะก่อเกิดเป็นตันหาเป็นอุบาทานรมปรุงแต่งขึ้นเป็นตัวเป็น ต, น, ตนแล้วก่อทุกข์มากมายมหาศาลเลยเพราะนั้นทุกทั้งหมดไปจากจิตของเราที่ขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาควบคุมอวิชาก็เลยก่อตัวขึ้นมาลำพังกิเลสอวิชากิเลสตันหาอุบาทานทั้งหมดนี้มันก็เพิ่งเกิดขึ้นตอนที่เราขาดสติสัมปัญญา ที่จะรู้เท่าเท่านี้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าจึงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ให้ประมาทเลยเพราะว่ามันเร็วมากถ้าองค์รู้นี่ว่าโอ้โ oh, ห oh, ถ้าหาว่าไม่ฝึกไม่ประพฤติปฏิบัติกันมันหนีไม่พ้นวัฏทุกข์แน่นอนเลยแล้วในเมื่อมันมีทุกข์แล้วมันไม่ได้ทุกข์เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแหละมันก่อตัวเกิดขึ้นเป็นภพเป็นชาติในจิตใจของเราแล้วมันก็ผลักดันให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้น ถ้าพุทธเจ้าจิ้มเน้นลงมาที่จิตของเราให้หาทางออกให้แก่จิตของตัวเองให้ออกจากวัตักทุก์นี้ให้ได้ไม่งั้นเราหนีไม่พ้นการเวีนว่ายตายเถิดถ้ายังเกิดอยู่ก็ก็มีตาหูจ ม, มูกนิ้วกายใจอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ต้องมีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกแล้วมันก็กระเทือนเข้าไปหาจิตของเราอีกมันก็ต้องมีพพมีชาติขึ้นในจิตอีกมีมีพพมีชาติมันก็มีทุกข์ขึ้นมาในจิตของเราอีกแล้ว ก็วนเวียนอยูเนี้ยแล้วเราจะปล่อยให้มันวนเวียนอยู่แค่นี้มันก็ไม่ไหวนะเพราะมันไม่สิ้นสุดอ่ะยังเราเกิดมาอย่างอนึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะมันใกล้ตัวมันเห็นชัดๆอยู่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแล้วเรามาอยู่ที่นี่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดสู้เรียบร้อยแล้วมีพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นศาสดาคอยอบรมสั่งสอนทางโลกเขาก็มีการลบกัน มีการอิจฉาลิษยาการมีการฆ่าฟันกันแนมะ้แต่อุปถากของพระองค์คือพระเจ้าพิมพีสานก็ถูกพระราชโอรสพระเจ้าอาชาตศัตรูก็หลงผิดไปก็อยากได้ราชบัลลังก์ก็ต้องมาทรมานพระองค์หวังจะเอาสมทรัพสมบัติถูกยุแย่บ้างอะไรบ้างก่อความโลภความหลงมันอยู่ในจิตในใจความโกรธมันอยู่ในจิตในใจมันก็ทําไปตามความรู้สึกนึิตเหล่านั้นน่ยจนถึงขนาดที่องคพระชนพระราชบิดาก็คือว่า ถึงจะระลึกได้แต่ว่ามันก็สายไม่ถาว ก, การเนาะมันก็จะมีเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีมันก็เกิดขึ้นแล้วเราจะไปหวังว่าโอ้จะให้โลกนี้มันสมบูรณ์แบบให้มันมีความลงตัวมันเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเราจะมาฝึกจิตของเรามาสอนจิตของเราให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้แล้วหาทางออกให้กับจิตเราให้ได้ ถ้าหาว่าเราหวังแต่จะว่าเออให้ข้างนอกอะ่ะหวังให้ประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อไหร่น้อจะเข้าใจกันเมื่อไหร่นอมันจะปฏิรูปขึ้นมามันจะดีขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละในเมื่อจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีเหตุที่จะทําให้ก่อเรื่องก่อปัญหาอยู่แล้วอะ่ะหนีมันไม่พ้นหรอกขนาะเราปฏิบัติอยู่อย่างเนี้อเราก็คิดดูกันแล้วกันบางทีเราก็ยังอุด อดที่มันจะขุนเคืองขึ้นมาในจิตใจไม่ได้หลงยินดียินร้ายขึ้นในจิตของเราอย่าง น, อ น, น้อยมันก็คุกกุนขึ้นมาในจิตของเราก่อตัวขึ้นในจิตของเราเราก็เห็นมันอยู่ทุกวันทั้งรู้ทั้งเห็นเวลาไหนที่จิตของเราดีอะ่ะตัณญาเรามีเราก็สอนจิตเราได้เรื่องราวที่ก่อเกิดขึ้นในจิตของเราก็ดับได้ง่ายแต่ช่วงเวลาไหนที่กาลังเราอ่อนอะ่ะ เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจเราไม่สั้มรวมจิตใจกำลังของสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอ่อนกำลังลงไปอ่ะมันสอนจิตไม่ทันจิตก็ไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาวุ่นวายอยู่ในจิตเข้ามาซ้ำเติมจิตใจของเราเข้ามาทำให้จิตใจของเรามีทุกข์รเรียกว่าประทุษรายเหรองเรว่าประทุษร้ายตัวเองเลยนะเรียกว่าประทุษร้ายจิต การที่สลายจิตก็คือไปเอาเรื่องราวข้างนอกเข้ามากุ้มลุมจิตตัวเองเนี่ยแล้วจิตตเองก็ถูกบีบคั้มด้วยอารมณ์ภายนอกอมันก็เจ็บปวดเนื้อทุกทรมานแล้วก็เป็หลง่าจิตเป็นเราอีกต่างหาก <Okay. S 1> ก็เลยซอนสอนอยู่ในจิตของเรา อ, อันที่จริงเนี่ย <c oughs> จิตเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ชัดแจ่ <c oughs> แตั้งที่บวงตัดสนุนนั่นอะ่ะรู้ว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองอะ่ะมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่ง มันไม่คิดปรุงแต่งได้จริงแต่ว่าจริงๆเป็นแค่ธรรมชาติตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็คือเป็นเครื่องมือเครื่องใายของเราใชา้ร่างกายด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นเป็นธรรมชาติฝ่ายรูปแล้วก็ใช้จิตใจในการที่นึกคิดแสวงหาความรู้ความเข้าใจเพื่อให้มีสติปัญญาเพื่อเอามาประฤติปฏิบัติแล้วออกจากทุกข์ก็ต้องใช้จิตอันนี้แต่ว่า ต้องเข้าใจด้วยว่าจิตนี้เป็นนามธรรมาไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่มันสามารถคิดนึกปรุงแต่งได้เราสามารถที่จะเอามานึกคิดปรุงแต่งในทางที่จะทำให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นคือเข้าใจเรื่องชีวิตมากขึ้นเข้าใจเรื่องจิตใจของเรามากขึ้นเข้าใจช่องทางที่จะหาทางออกให้แก่จิตของเราให้ได้ ถ้าหาว่ามันเข้าใจแล้วจิตของเราเนี่ยมันก็จะรู้ละว่าโ อ, อ้จะต้องสำรวมระวังนะเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีความพร้อมอยู่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องปฏิเสธการงานหรือหน้าที่ของเราทางโลกเพราะอันนั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราดำลงเพศเป็นคารวะเราต้องอยู่อย่างเหมาะสมกับเพศของเราแต่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทำมาหากินไปด้วยเราไม่ทิ้งหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ก็คือให้เราได้ทําหน้าที่การงานดํารงชีพอยู่ต่อไปได้พร้อมกับมีทางออกให้กัจิตของเราด้วยมันก็จะสมกับฐานะของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็ได้ทบําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระทัยศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดเป็นศาสดาของเราเราก็ได้ประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ ไปด้วยทําการทํางานไปด้วยคณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะหาทางออกจากทุกเรียกว่าตามลอยเบื้องยุคคนบาตแห่ององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆได้เราจึงจเจริญเจ้าหน้าทั้งภายนอกแล้วก็ภายใ น, <c oughs> นเจริญเจ้าหน้าทั้งวัตถุแล้วก็ทั้งจิตใ จ, จเจริญเจ้าหน้าทั้งลูกธรรมและก็นามาทำด้วย มังคินจะสมบูรณ์แบบขึ้นมาถ้าหาว่าเราผิดภาพไปบ้างผิดทั้งไปบ้างหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะสอนเอาไว้เลยว่าถ้าหากว่ามังคิดพลาดบุคคลต้องยอมรับความจริงอันดับแรกเลยนะไม่ให้ปฏิเสธเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษเหมืนสมัยที่พระเจ้าอาชาติศัตรูหลังจากที่พระเจ้าพินพิสารพรราชาบิดาสมรรคกเรียบร้อยแล้วเกิดยิธรรมสามอย่างรุนแรง วิถีสามนกว่าเดือดร้อนใจมากก็คนที่รู้ตัวว่าทําผิดอย่างมหาฆ่าพระราชบิดาฆ่าพ่อตัวเองแล้วพอมีพระราชบุตรขึ้นมาเท่านั้นแหละมันก็เกิดสำนึกได้เพราะมีความรักผูกพันต่อลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีความรักลูกกันทุกคนก็รู้สึกขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าพ่อของเราต้องรักเราอย่างหาประมาณไม่ได้เช่นเดียวกับมันที่เกิดขึ้นกับเรา จึงเกิดสำนึกขึ้นมาได้เพราสำนึกแล้วมันก็เสียใจวิตติสารเดือดร้อนใจทีหลังรุนแรงจนทนไม่ไหวต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปสารภาพกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็พูดแต่มหาบุพพิตเมื่อเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษต้องยอมรับความจริงซะก่อนว่าเราผิดพลาดไปแล้วบกพร่องไปแล้วผิดจริงได้ทาจริงผิดจริ ง, รงพูดจริง ทำจริงผิดจริงแต่จะพยายามแก้นี่นีอันนี้คือเจ้ากรรมผู้เจ้าบอกให้พระองค์ไม่ทำํำตั้งใจงว่าจะไม่ทํากรรมนั้นอีกกรรมใดที่เป็นธรรมคำว่ากรรมใดที่เป็นธรรมคือกรรมใดที่มันดีอ่ะที่มันมีคุณมีประโยชน์ให้ทํากรรมนั้นให้ทําสิ่งที่ดีที่มาแทนที่เสียผู้เจ้าอ่ะอันนี้ชื่อว่าได้แก้กรรมเรียบร้อยแล้ ว, ลว <c oughs> อย่างน้อยในปัจจุบันนี้จิตใจของเราก็ ดีขึ้นมาแล้วส่วนกลับเนอดีตพระเจ้าแช่ศัตูก็ต้องไปชดใช้กรรมแต่ว่าเนื่องจากว่าได้ช่วยพระศาสนาแล้วได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้แก้ไขอย่างถูกต้องถูกตางกรรมนั้นก็เบาลงเอาเวทีมหาเปนลกไอ้หลุมที่มันเบาที่สุดถ้าหาว่าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ไปแก้ไขกับพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ก็ต้องหลุมที่หนักที่สุดอันนี้พระเจ้าชาศตูนี้ก็เรียกว่าเบามันก็ดีขึ้นมา อันนี้ก็ชดใช้ไปมันไม่เป็นไรนี่เพราะว่ามันทําไปแล้วนี่ก็ยอมรับความจริงแล้วก็ทําปัจจุบันนี่แหละให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเขาบอกที่จิตขณะนี้จิตขอเราเป็นอย่างไรคราวนี้สําคัญแล้วทีนี้พราะเรารู้แล้วว่าทุกข์ก็ต้องไปจากจิตของเหล่านี้สุขก็ไปจากจิตของเหล่านี้แล้วเมลงมาสุขจริงๆก็คือไม่มีทุกข์เราก็ต้องมีสติควบคุมจิตให้ได้ แล้วจะต้องเอาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้ามาเป็นที่รับสติปัญญาของเราด้วยแล้วถ้าหากว่าจิตของเรามันอยู่กับตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องชีวิตของตัวเองด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเอาชีวิตของตัวเองนี่แหละมาเป็นทุกข์้ร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรามันก็จะมีอวัยวะต่างๆอยู่ในนั้นแหละพอเราอายุมากขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้มีเสื่อม มีคำวุดซุดโซบลงไปนะอันนี้จะต้องให้จิตเรารับรู้เพราะว่าถ้าจิตเราไม่รู้เดี๋ยวมันก็ไปยึดไปจิตไปคล้อ ง, องห่วงแหนไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากไข้เจ็บป่วยไขย้ก็อยากเอาแต่หายอย่างเดียวก็อยากหายได้แต่ว่าไม่ใช่อยากหายแบบชนิดที่มีความอยากรุนแรงจนเราเป็นทุกข์เพระความอยากเหล่านั้นก็อยากหายมียามีอะไรก็เอามารับประทานกันเอามาเอามาแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นหมาเพื่อให้มัน สามารถที่จะทําการทํางานได้ใช้ประโยชน์ได้คือเอาร่างกายมาใช้ประโยชน์ได้เราเข้าใจอย่างนี้เลยว่าทำได้ปัญญาของเราส่วนมันจะหายหรือไม่หายอะ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราเออบางครั้งมันก็หายบางครั้งก็ไม่หายแต่สามคำตรงจิตใจถ้าจิตใจเราเข้มแข็งมีกําลังพอมันไม่หวั่นไหวไปไม่อ่อนแอไปกับไอ้เรื่องสภาพของร่างกาย มันรู้นะวว่ามันไม่เป็นหนักหรอกแต่เพราะว่าจิตของเรามันมันไม่เข้าไปรับอ่ะมันมองดูอยู่มองดูมันก็พอเข้าใจอ๋อจิตป่วยไข่อ๋อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันเหมือนมีวิบากอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อมันมาถึงเวลาเวลาแล้วอมันก็ต้องเสวยไปแต่ว่านิ่งเจ็บจิตของเราที่มันมีความเข้มแข็งแล้วมุ่งมั่นต่อคุณงามความดีมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือมุ่งมั่นต่อการทําประโยชน์ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ มันเป็นพลังของจิตเรามันก็สามารถที่จิตของเราไม่ให้ไหลเข้าไปเมื่อไหลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปคุกเข่ากับไอ้ร่างกายที่มันเจ็บป่วยไข้นั้นเราก็เลยเหมือนออกมาดอมมองดูเฉยเฉยมองดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะร่างกายมันจะเจ็บจะป่วยจะไข้มันเป็นธรรมดาจริงจริงมิหน้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงหลังนี้ว่านี่มันเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์นะมันไม่ใช่ของเราตลอดไปนะ มันต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้นะถ้าจิตของเราไม่รู้ความจริงเราก็ไปหลงอยากมันเป็นของเราตลอดไปแล้วก็มีแต่อยากให้ได้ทําใจเราอยากให้หายไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากไข้ไม่อยากป่วยไม่อยากไข้ไม่อยากให้มันชมำลุกชุกซไม่อยากมันแก่ไม่ให้อยากชราภาพมันจะเป็นไปหมดเลยอยากให้มันสวยอยากให้มันเต็มทย่เมันอุปทานมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นมาเท่านี้พระเจ้าดีสอนให้เข้ามารู้ว่าเออร่างกายนี้นะมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะ เราบันยังมีชีอยู่เราก็เอามาใชใ้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเอามาอย่างที่เรามาเนี่ยเอามาสแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีเอามาอาศัยอาศัยสถานที่ว่าไปที่นั่นที่นี่ให้มันเป็นกําลังกระตุนต้นเตือนจิตของเราให้ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มีกําลังใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้สมบัติที่แท้จริงคือการพ้นจากทุกข์หรือพรนิพพานนั่นเอง อันนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงเลยนะถ้าใครไปถึงตรงนี้แล้วเป็นสมบัติของเราตลอดไปเรียกว่าพ้นจากการเยินไายตายเกิดแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่ยังไม่พ้นเนี่ยบางทีก็ตัวจินตนาการเอาว่าเอา๊ะถาหาว่าไม่เกิดเนี่ยไอ้ชื่อเสียงเราเหมือนก็ไม่ได้อะที่เราจะบริโภคอาหารการกินอริสอร่ อ, อยที่อยู่สบายเรือว่องับยกย่องสรรเส ร, ริญหรือสามีภรรยาลูกเต้าสามีภรรยาลูกเต้าอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ย เราก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้สิเราก็อาจจะคิดได้แต่ว่าถ้าไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายมันเป็นเหมือนกับว่าอ๋อถ้าว่าเรายังหลงอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าค้นจากตรงนี้ไปได้เราถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหมดไปจริงๆหมดไปจากจิตไม่มีความหมายอะไรก็คือว่า ตอนนั้นเรายังไม่รู้เราก็เห็นมาสิ่งเหล่านี้สําคัญก็เลยต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราแจ้งแล้วเราชัดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่เหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่อะไรอาวมกับเหมือนไม่ว่าขี้เสียงก็ตามคําย่อกย่องสรรเสริญก็ตามมันว่างเปล่าไปหมดเลยถ้าว่าใคร ย, ยังลุ่มยงังหลงอยู่ก็อ๋อเพราะเขาไม่รู้ก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า น, นั้น ให้หลงในความสุขคำขึ้นมาเฉยๆอย่างโลกเราเดี๋ยวนี้ก็หลงให้ความสุขคำอำนาจถ้าใครมีอํานาจก็โอ้โหแหมมีบุญมีบารมีเหลือเกินมีอํานาจมีคนเขาลกกลาบว่าแต่ในใจของเขาเป็นยังไงวะมีอำนาจและมีทุกข์ไหมมีความเดือดร้อนไหมมีความวุ่นวายไหมวุ่นวายขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาเองก็หนีออกไม่เป็นด้วยก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์ความทรมานความวุ่นวายอย่างนั้นแหละ แต่คนอื่นก็มองดูว่าโอ้โหมีบารมีมากมีคนเขาลบยกย่องมีอำนาจสั่งการอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้มีเงินก็มากมีอำนาจก็มากมีบริวารมากมีชื่อเสียงมากมียศมากแต่ใจจะยังไงอ่ะถ้าใจยังมีทุกอยู่มีก็มันไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะว่า ชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วผู้เจ้าก็สอนให้ออกจากทุกข์ไม่ให้มีทุกข์ให้มันมีความสุขแต่ถ้ามีด้วยก็ไม่เป็นไรอะ่ะไม่เสียหายอะไรเพราะว่าภพชาติการโยนไล่ใจเกิดก็เป็นอย่างนี้แม้พระผู้เปเจ้าพระองค์ก็เคยเป็นมาจะขับพัดมาเยอะแยะพวกเราก็เคยเป็นมาพระเจ้าไม่ปฏิเสธนะพระราชามหากษัตริย์มหาศาลอะไรเราต้องเคยเก็นมาทั้งหมดไม่ต้องไปเสียใจน้อยใจอะไรเลยนะเป็นเศรษฐีมหาศาลก็เคยเป็นมา เพราะถาใครร่ำรวอยู่เดียวเนี่ยเราต้องสามารถกล้าหารพอที่บอกตัวเองได้ว่าเราก็เคยเป็นมาเหมือนอันนี้เราละลิขชาติไม่ได้กันอยูเป็นหลาแต่เราอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนอย่างนี้ถ้าเห็นใครสักคนหนึ่งเขาเคยเป็นมหาเศรษฐีเขากําลังเป็นมหาเศรษฐีอยู่ก็ใหเราบอกได้เราเคยเป็นเหมือนเช่นคนนี้เห็นสัตว์ก็ตามเราก็เคยเป็นสัตว์แบบนี้เห็นคนทุกคนยากคนจนหรือยังคนอินเดียเป็นขอทานก็ตามเราก็เคยเป็นแบบเขามาแล้ว เ <S an> น่มันเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าจิตมันเข้าถึงธรรมมันจะระลึกถึงธรรมมากของบุญเจ้ามันเป็นความจ ร, ริงทั้งหมดเลยไม่สงสัยเลยเพราะนั้นในเมืม่อมันเป็นมาแล้วอ่วะเราจะไปอะไรอาวรณ์ อ, อะไรถ้าว่าเข้าไปถึงธรรมจริงๆมันไม่อะไรอาวรณนะ์การเป็ความว่างเปล่าไปก็เห็นว่าโอ้มันเป็นความหลงนะถ้ายังมีความหลงอยู่ก็ธรรมาดามันก็เป็นอย่างนี้นะแหละเดี๋ยวยังเคยยกตัวอย่างว่าเคยไปเยี่ยมคนแก่เขาอายุมากแล้วก็เป็นนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาอะไรอย่างนี้ก็พอเราเข้าไป ไอ้บ้านอะไรเรือนเขาเขาก็นิมนต์ไปเยี่ยมยมแม่อะไรต่ออะไรเขาไปให้กำลังใจไปถึงก็เห็นเขาก็กำลังป่วยอยู่แขนแขนเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเวลานอนต้องยกชิงสูงอะจะนอนลากกับพุ้งก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้น้ำเหลืองนี่มันจะไหลลงไปทีแ่แขนแล้วมันจะบวมทําให้เจ็บปวดทุกทรมานมากเวลานอนก็องพยายามที่จะให้แขนมันอยู่สูงๆไม่ได้นอนธรรมดานะไอ้เราก็ถามออกไปเฉยๆนี่นะว่าเอายิง ทุกไหมเหรทุกเขาว่าทุกทุกขณะนี้เรายังอยากกลับมาเกิดอีกไหมเราก็ถามไปโอโก็ยังอยากเกิดอยู่แกว่ะคนแก่นะก็คือยังมีความผูกพันอยู่กับลูกแกก็มีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งก็อยู่กรุงเทพคนหนึ่งก็อยู่สกลนครบางช่วงเวลาแกก็มาอยู่สกลนครมากับลูกคนนี้แล้วก็บางช่วงเวลาก็กลับมากรุงเทพมาอยู่กับลูกแล้วก็มีหลานเล็กๆแกก็ผูกพันอยู่กับลูกกับหลานอยากจะมีความสุข ก็ไม่อยากจากไปอ่ะก็อยากอยากเหนื่อยหน่ายตายเกิดเพื่อให้มีความสุขแบบเนี้ยแต่อันนี้มันเป็นความสุขซึ่งมันเป็นความทุกชนิดหนึ่งเพราะมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดเกิดจากความไม่รู้พระเจ้าสอนให้มันหาทางออกให้ให้มีสติมีปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่า น, นี้มันเกิดจากความหลงของเราไปยึดไปติดไปคล้องแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปเห็นความสุขที่มันสูงก่อนนั้น ก็ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้ว่าความสุขที่สูงกว่า้การที่มันเห็นลูกเห็นหลานแล้วมันมีความสุขได้เงินได้ทองและมีความสุขเนี่ยยังไม่เห็นว่ามันมีธรรมชาติที่เป็นสุขมากกว่านี้ก็คือการที่เรามีสติปัญญาไม่ยุติติดข้องสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันเป็นอิสระจิตใจมีอิสระจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่ทุกข์มันสบายกว่ากันเยอะถึงมีก็มีแบบที่เหลียวว่าไม่ไะยึดไปติด ไ, ไปข้อง มันก็เลยเบาสบายกว่ากันแล้วบางทีก็เอาแล้วจะรับประทานอะไรถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอะคนเราเนี่ยมันก็มีสติมีปัญญาแม้แต่สัตว์มันก็ยังหาอยู่หากินของมันได้แม้แต่สุนัขข้างถนนมันก็ไม่อดตายแล้วเป็นคนที่แคมีสมองมีสติมีปัญญามีบุญขนาดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็พอที่จะหาทางออกให้แก่ชีวิตได้ แต่ทางจิตใจนี้สำคัญผู้เจ้าต้องการให้ออกทางจิตใจจะเป็นหลงอํานาจวาสนาบารมีไปนหลงข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยก็รู้แล้วมันทําให้เราจมเราเห็นว่ า, าตายเกิดไม่มีที่สิ้สุดแล้วบางทีก็เอาผิดภาพ บ, บกพร่องไปเรายึดเราติดเราคลองมันกตกนรกหมกไหมเสียเวลายอยู่กันนรกบงังเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเป็นเปรตเป็นอารมณ์ทงกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร การที่เป็นมนุษย์นี่โอกาสดีที่สุดแล้วหรื เ, เป็นเทวดาก็เหมือนกันบางทีมันก็หลงไปเพลิดเพลิน อ, อยู่กับความสุขผลบุญ ท, ที่เกิดําบางครั้งพรอพระเจ้าอดับขึ้นมาพระเจ้าอดับขึ้นมาเนี่ยพระเชเมญอายุของวิญญาของเราแปดสิบแปดสิบปีหนึ่งปีในเทวดาฉันจ่าตุงก็เท่ากับห้าสิบปีของมนุษย์อ่ะวันหนึงของเขาดำหนึน่งของเขาก็ห้าสิบปีของมนุษย์ไปเที่ววันเดียวห้าสิบปีแล้ว บางทีไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเหนี่วบัิขึ้นมาไปเคี่ยวสองวันก็หมดแหละหรือฉันดาว่านดึงอย่างนี้วันเดียวของเขาก็ร้อยปีของเ ม, มืองมนุษย์พนอยู่วันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลงอะไรอยู่วันเดียวเท่านั้นแหละผู้เจ้าปริมีพานเรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่ได้ฟังธรรมมโอกาสที่ได้ปฏิบัติธรรมก็มีบ้างที่เหล่าเทวดาทั้งหลายที่เคยประ พ, พฤติปฏิบัติในสมัยที่เป็นมนุษย์มีความศรัทธาเรื่อมใส ก็ได้ฟังธรรมของพระเจ้าบางทีก็บรรลุงงายบรรลุเร็วก็มีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายัางสถานที่ที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเทจา้าเรียกเป็นมูลคัรทักกุดีเ อ, อ่อเป็นที่ประทับเป็นที่เผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงแล้วเราก็น้อมนําเอาธรรมะของพระพุทธเทจา้าให้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ว่า พระ อ, องค์เดิล้วงรู้ความจริงสูงสุดเรียบร้อยแล้วจึงไม่อยากให้เราเนี่ยยึดติดข้องอะไรให้เราเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งมีล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าพระ อ, องค์จะสอนอะไรอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาในรถนั่นแหละว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้พระ อ, องค์ก็จะมาสรุปตรงที่ว่าอ๋อมันเปลี่ยนแปลงนะเมื่อก่อนนี้สถานที่แห่งนี้มได้ชื่อนี้นะชื่อนั้นชื่อนั้นต่อมาก็ชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นและพระ อ, องค์ก็สรุปว่านี่แหละมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมสิ้นสลายไปเรื่อยๆแล้วก็สอนด้วยว่าสมควรหรือยังถ้าเราไม่ท้าทสูฎต่างๆนี่จะเห็นว่าสมควรหรือยังที่จะเบื่อหน่ายมันจะเบื่อหน่ายได้มันต้องมาเห็นความจริงด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องเห็นในจิตเห็นด้วยยามคือตัวจิตมันเห็นมันจริงจะเรือว่า เป็นปัญญาญาณที่แท้จริงมันต้องเมื่อไหนในในขณะมันเห็นแล้วโอ้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันผ่านไปผ่านมาอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เองเนในจิตแล้วก็คลายกําหนับคลายกําหนับ ก, ก็คือว่าไม่ไปยินดียึดติดข้องไปลุ่มไปหลงมันไปมีความกําหนับยินดีกับมันไปยึดไปติดไปข้องมันเอาไว้สมควรหรือยังที่เธอจะพ้นไปจากสิ่งนี้เสีย ก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาวันนี้แล้วก็ต่อไปนี้จะให้เราได้ปฏบิบัติบูชาจริงๆเลยนะเรียกว่าเข้ามาหาจิตของตัวเองเลยนะเรียกว่าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงเลยต่างคนต่างก็สัมมลิจิตใจต่างคนต่างก็เข้ามาหาใจของตัวเองหัวใจของเรานี้ยพุทธเจ้าก็สอนแล้วไม่ยึดติตของแม้ร่างกายเพรามันก็เปลี่ยนแปลงจิตใจยิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าสนิทได้เลยว่าที่เราพูดร่างกายเนี่ยก็คือมันหยาบ และจิตก็กลงไปหนงยึดติดครองเมันเห็นว่าร่างกายเราอาศัยอยู่นี่ทํานู่นทํานี่ก็ต้องอาศัยกายไปดูนั่นดูนี่ให้มีความสุขก็อาศัยตาได้ยินเสียงเพราะเสียงดีๆก็ต้องอาศัยหูได้กลิ่นดีๆก็อาศัยจมูกลิ้นลิ้มรสอร่อยอร่อ ย, ออยก็อาศัยลิ้นอาศัยร่างกายถูกต้องสัมผัสอะไรนิ่มนวลมีความสุขมันก็อาศัยร่างกายมันก็เลยยึดร่างกายเพราะมันเป็นสิ่งที่อํานวยทําให้จิตเรามีความสุข แต่ก็เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นความสุดที่แท้จริงความสุดที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้จิตมันรับรู้ว่าจริงๆไม่ใช่หรอกอันนี้มันทําให้เราติดเราหลงได้ทําให้เราหนเวียนอยู่ในวัฏะสงสารได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอามันมาเป็นเครื่องมือซ้อมผิดหลังให้ได้ว่าสุดท้ายมันจะลายไปนะมันแตกจะลายไปนะไม่ได้เป็นของเราตลอดไปนะแล้วก็ให้มันเห็นอยู่ภายในที่มันมีสมาธิจนินตมาวเห็นโดยยานรู้โดยยาน หรือว่าปัญญาญารหรือปัจนานญาได้ไอจิตใจยิ่งเร็ว เ, เอยมันคิด ป, ปุด๊บปั๊บเดี๋ยวก็ดับไปแล้วดีใจเดี๋ยวก็ดับไปแล้วเสียใจกระดับไปแล้วถ้าเรารู้ทรรมันยิ่งดับเร็วมันก็เลยไม่มีอะไรเลยเดี่ยผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าว่าเรยังไม่เห็นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่เห็นนั่นอ่ะจิตของเราไม่มีกําลังหมายว่าเหตุปัจจัยที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงเหล่านี้ไม่พอเราก็ต้องมาสร้างเหตสร้างปัจจัย เมันไม่มนำหมายคว่าเราไม่มีบุญว่าชนาบะบารมีนะแต่เป็นเพราะว่าเราสรางเหตุปัจใจที่จะทําให้รู้ความจริงไม่พอไม่ถึงมันเราก็ต้องพยายามสํารวมจิตใจพยายามประพฤติปฏิบัติจิตของเราเนี่ยเพราะว่าจิตของเราเป็นแค่นำ ม, มา ท, ทําำเฉยไม่มีตัวตนจริงนะร่างกายก็ยอมรับกันได้แหละเพราะเราเคยเห็นว่าสัตว์ตายก็เยอะแยะมนุษย์ตายคนตายเพื่อนฝูงตายพี่น้องตายญาติตายเยอะแยะถายไม่หมดเนะีก็ต้องเอามากระตุ้นจิตของเราให้มันรับรู้ความจริงเหล่านี้ นจนเจ้าจิตนนน่ะโอ้โบางเรื่องบางราวมีบางทีมันเคยเคยฝังใจนะเอาเรื่องที่มันเป็นอดีตมาคิดตัวนทุกทรมานร้องโหยร้องไห้แต่แล้วก็ผ่านไปได้ก็ไม่เห็นตายนะผมไม่ตายแล้วเราก็มาปกติได้อีกแต่พอมีกระทบอารมณ์เรื่องราวเข้ามาอีกอาร้องโหยร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเหมือนจะเป็นจะตายอีกแล้วแต่แล้วก็ผ่านไปอีะมันก็ไม่ตายจริงเนี่ยมันก็แค่ว่าเออเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านตายอยู่นี่แหละ ได้อารมณ์ของจิตใจก็ตามแล้วดีใจขนาดไหนวิเศษขนาดไหนตู้อโกรกขึ้นใจขนาดไหนสุดท้ายจะผ่านไปอีกอเดี๋ยวเรื่องเศ้าๆก็มาอีกเรื่องหน้าเสียใจก็เข้าใหมีเรื่องน้ามโมโหเข้ามาอีอมันก็กุ้มลุงจิตของเราอยู่อย่างนี้แล้วนะแล้วเราๆแต่ถ้าเรามีสตินะพวกนี้เกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปเราจะได้ปัญญาญาณขึ้มนมายิ่งถ้ามันละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นละเอียด เห็ละเอียเข้าไปจนกระทั่งเห็นแค่ก็เป็นแค่กระแสจิตของเราที่มันไปรับรู้และกระดับรับรู้แล้วกระดับมันก็ดับไปทั้งรูปทั้งหนำนะนี่เราที่พระเจ้าอยากให้เห็นจริงๆก็คือเห็นกระแสของชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแค่ความเกิดดับแต่อันนี้ต้องหยั่งเข้าไปเห็นด้วยยามทศน์นะท่านถึงว่าพิสูจทั้งหลายด้วยความพิสูจทั้งหลายเธอจงทํำสมาธิเธอเมื่อทํำสมาธิแล้วจิตจะตั้งมั่น ต้องอาศัยจิตจิตตั้งมั่นเลยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นสภาพธรมตามความเป็นจริงก็คือเห็นกระแสะชีวิตของคนหลายว่าเป็นแค่ความเกิดดับแล้วจะให้หลงให้ยึดติดติดข้องอีกต่อไปเป็นไปไม่ได้บด็ขาดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมาเห็นความเกิดดับหรือว่าเห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งความคนอยู่ไม่ได้ของสัตวจแล้วก็อนิตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาบังคับบัญชามันไม่ได้จุดก็ปล่อยเพราะนั่นขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าไปถึงกระแสของชีวิตจริงจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเห็นด้วยยานทศนะของตัวเองแล้วจิตจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นไม่เกิดยานทศนะมันวางไม่ได้เพราะยังไม่เข้าไปถึงจุดถึงที่ของของจุดที่จะปล่อยวางถึงแม้พระเจ้าเถิดสอนแล้วสอนเราพระสูตรแล้วพระสดุเรา แต่เมื่นสี่พันมัรตมะขันก็สอนตามอัธยาศัยเฉยเฉยแต่จริงๆแล้วเนื้อหาของธรรมะก็เพื่อให้สาวกของโลงเข้ามารู้ความจริงตรงนี้ให้ติดตั้งมันรู้สภาพกรรมตามความมุ่งมัเห็นว่าชีวิตนี้เป็นแค่กระแสของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปมันอุนิ่ายกรรมเก่าๆ ก, ก, กรรมในอดีตที่เราเคยกระทำม สามารถโอนถ่ายในขณะที่มันดับไปกรรมเหล่านั้นไม่ได้ดับไปมันถ่ายโอนคุณในสมบัติของกรรมเข้ามาไว้ในจิตของเราตลอดเลยนี่มันจิตต้องใช้กรรมอยู่ตลอดกไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะต้องมีกรรมเก่าร่วมด้วยเสมอแล้วก็มีกรรมในปัจจุบันด้วยไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรรมปัจจุบันเนียเราจะไปเอาแต่ว่าโอ๊ยต้องเรื่องของกรรมเก่าๆกับกรรมเก่าไม่ใช่ อนนี้อดีตก็มีมาแล้วรับที่กรรมเก่าก็มีด้วยอะไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรหรอกปล่อยให้กรรมเก่ามันทํางานเป็นเรื่องของกรรมเก่าเราสร้างมาแล้วเราหนีไม่พ้นในอดีตก็มีแล้วแต่กรรมเก่าของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นสอนว่ามีทั้งกรรมเก่าด้วยแล้วก็กรรมในปัจจุบันด้วยเหตุปัจจัยในปัจจุบันด้วยเพื่พอกออกจากกรรมด้วยเนี่พระเจ้าสอนเพื่อออกจากกรรมสึ้นกรรมอยู่เหนือกรรม เป็นอุสรจากกรรมไม่ใช่ว่าเป็นภาตของกรรมอะไรก็เป็นเรื่องของกรรมเก่ากรรมเกรรม่ามโยนให้กรรมเก่าทั้งหมดไม่ใช่แต่อาศัยกรรมในปัจจุบันที่เราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจา้าแล้วภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้จิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ให้มันออกจากทุกได้ถึงไม่ได้ออกจากทุกในชาตินี้ ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้พบทางของพระพุทธเจ้าพบคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปวันใดวันหนึ่งอินทร์บารมีของเราบริบูรณ์สมบูรณ์เราก็ต้องบรรลุตามพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสร้างบารมีจนกระทั่งตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสร้างสมอบรมอินทรีย์บารมีเพื่อที่จะบรรลุตามพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สมควร แก่การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาพบคําสอนของพระองค์มีความประทานเลื่อมใสในพระองค์และก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติได้ฟังพระสัธรรมคำสอนของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์แล้วก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วเข้าถึงแล้วแล้วก็ตรงกับพระประสงค์ของพระองค์ที่เผยแผ่พระสัตยธรรมคำสอนของพระองค์ ตลอดพระชนชีพของพระองค์หลังจากตัดสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้เห็นแต่ความเหนื่อยยากลาบากทุ่มเทพระวรากายก็เพื่อให้ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยตกทอดมาถึงสาวกของพระองค์จนกรทั่งมาถึงพวกเราได้นี่เรามาถึงตรงนี้แล้วเราต้องพอใจว่าเราได้พบคำสอนของพระองค์และติดตามมาจนกระทั่งถึงที่ประทับ ของพระองค์แล้วก็เป็นสถานที่ที่สำคัญด้วยเพราะเป็นสถานที่ที่พระองค์ปฏิสถานคมสอนของพระองค์เล่มต้นปฏิสถานธรรมของพระองค์อยู่ตรงนี้เมื่อมาถึงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติบูบชา ก, กันหรือเราจะตั้งปพิธีธรรอะไรก็แล้วแต่เราแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชา ก, กันอย่างเต็มที่เราต่อไปให้ปฏิบัติโดยที่จะไม่มีเสียงพูด คำพูจิตใจเปน็นโอกาสสุดท้ายนะคำพูดจิตใจของเรานะดูว่าจิตของเราอยู่ยังไงทําอะไรอยู่เราเรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวและจิตเราอยู่ยังไงเราเดือดอะไรจะคิดของเราอยู่กับตัวเราแล้วร่างกายกับจิตเป็นอันเดียวกันไหมเราเห็นไหมว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่ง เนี่ยมันอาศัยจิตจิตเนี่ยอาศัยร่างกายอยู่เท่านั้นจิตเนี่ยอาศัยร่างกายอยู่เท่านั้นเพราะนั้นจิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอาศัยถ้าอะไรเกิดขึ้นจิตเราเป็นยังไงเข้ามาดูาการของจิตจะมีฝูงลิงผ่านมาแค่เท่าไร่ลิงอย่างเงี้ยมีผลต่อจิตเราไมหมไอ้เรามีหูเราต้องได้ยิน ได้ยินก็รับรู้ขึ้นมาที่จิตของเราถ้าจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้ก็ตรงกับพระประสงค์ของพระสงฆ์พิจาธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้แหละเราไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาทั้งตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างนี้ไม่พ้นแน่ๆแต่ว่าสําคัญตรงที่ว่าสติรักษาใจเราได้ไหมถ้าสติรักษาใจาถูกแล้วอเราก็สามารถที่จะ ควคุมจิตได้ก็ได้ธรรมะได้ธรรมะก็อหมายความว่าเราไม่ให้ปล่อยให้จิตของเรามันไหลไปตามอรมณ์ข้างนอกและก็สอนว่าสิ่งเหล่าเนี้มันผ่านมาผ่านไปมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรมมนนธรมดาเราก็ต้องฝึกจิตของเราปฏิบัติจิตของเราเรื่อยไปก็เห็นว่าอารมณ์เหล่าเนี้มันเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราก็รู้ว่าเออถ้าเรายังมีชีวิตอยู่หน้าที่เืของเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเล่กไปหลังกายก็รู้แล้วก็เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วคราวจริงๆมีจิตใจก็ต้องมีอารมณ์ของจิตก็ต้องมีสิ่งที่มันอาศัยมันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดำสิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นในจิตก็จะเรียกว่าเจตสิกไม่ใช่จิต เยตสิทิเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มันมาอาศัยจิตเกิด อ, อาศัยจิตดับเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมาปรุงแต่งจิตถ้าเรารู้ทันเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นแค่อาการวันเกิดร้อมเกิดความดับยิง่งกับจิตของเรามันมีกําลังมากขึ้นเท่าใดมันก็ยิ่งแยกออกว่าเออพวกสังขารทั้งหลายสังขารรับขันสิ่งปรุงแต่งหรือปรุงแต่งขึ้นมาจริงๆ มันไม่ใช่ตัวเราเพราะปรุงแต่งชั่วโมแล้วก็ดับปรุงแต่งชั่วโมงแล้วก็ดับมันก็เลยเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่เห็นเนะี่ยมันดับยังไงมันเกิดขึ้นยังไงไม่ใช่เราแล้วมันจะเป็นใครเพราะเราก็จิตใจของเรามันก็คิดขึ้นมานินาะมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราเห็นแล้วเนี่ยอาความคิดเกิดนแล้วก็ดับได้ความรู้สึกนึกคิดความอะไรต่ออะไร ผ่านมาแล้วผ่านไปมันก็เห็นอ่ะพอมันเห็นแล้วจิตก็จะปล่อยวางนี่แหละมันจะบาเบื่อหน่ายก็ตมเบื่อหน่ายในในจิตของเราที่มันเห็นความจริงมากๆแล้วมันก็เลยวางเฉยมันไม่อยากไปยึดอะไรเกิดก็เกิดเดี๋ยวก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปทีนี้ถ้าหาว่ามันเห็นความเกิดดับอันเนี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปนี่มันเหมือนมันเป็นมันเป็นญาตเป็นปัญญาญาอยู่ในจิตของเรามองอยู่ที่จิต มองอยู่ที่จิตอยู่ที่กายอยู่ที่จิตแต่ว่าความรู้ความเข้าใจอันเนี้มันทะลุออกมาถึงข้างนอกไม่ว่าจิตเราจะรับเรือมีเรื่องอะไรก่อเกิดขึ้นในจิตอะไรปรุงแต่งขึ้นในจิตในกายก็ตามไอปัญญายามตัวนี้มันเตือนกระตุ้นเตือนให้รู้ว่าเออเกิดแล้วก็ดับผ่านมองแล้วก็ผ่านไปคือมันเหมือนมันดูอยู่ในจิตแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันทะลุออกไปหมด ทะลุเข้าไปถึงธรรมชาติได้ว่าเออธรรมชาติเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปจิตทของเราก็ยังคงเป็นปกติอยู่อย่างนั้นตลอดไปอันนี้เราว่าเราเข้าถึงความจริงมากขึ้ น, นเรื่อยๆเอาตอนนี้ให้เราบูชาพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสุดท้ายเนะให้เราทงความรู้สึกว่าขอโมกขัยถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแี่พระธรรมแด่พระสง์ เหมือนเอากายเราเอาจิตใจของเราทั้งหมดนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเลยบูชาทั้งพระพุทธเจ้าบูชาสร้างวัฒธรรมคําสอนของพระองค์เราก็เต็มเสมอเราเป็นสาวกของพระองค์แหละผู้ปฏิบัติตามมันเป็นสาวกอยู่แล้วแต่ยินได้ฟังปฏิบัติตามบูชาพระสงฆ์ด้วยพระสงฆ์เก่าเก่าที่เคยสืบทอดคําสอนของพระองค์มาจนถึงพวกเราได้ วางกายวางจิตเดี๋ยบูชาที่สูงขึ้นมาก็คือว่าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนทำความรู้สึกเหมือนกายถัดใจเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วเราเอามาเป็นเครื่องสักกราระบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาดูสังเกตดูมันก็จะมีความรู้สึกมีความรู้เกิดขึ้นแบบตรงนี้คือญาณความรู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาประกอบอยู่ในจิตของเราทำให้คุณสมบัติของจิตเรามันรู้ ผู้รู้มันเด่นขึ้นมาผู้รู้มันขยายตัวขึ้นมาผู้รู้มันรู้ได้กว้างขวางขึ้นมามันก็เลยทรงตัวอยู่ได้เพราะอํานาจของปัญญาเพราะปัญญานี่เป็นสิ่งสูงสุดเมื่อมันรู้ในสิ่งสูงสุดแล้วมันก็วางพอมันวางแล้วความรู้นั้นก็ยังทรงอยู่เพราะมันเป็นความรู้ที่สูงสุดมันก็เลยทําให้จิตของเราเป็นธาตุรู้ เป็นตัวจิตที่มันมีปัญญาญาณเข้ามาประกอบแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญญาไปมันก็เลยเหมือนกขาทาหน้าที่แล้วก็ดับทําหน้าที่แล้วก็ดับช่วงไหนที่มันต้องการใช้ปัญญามันใช้ใช้แล้วก็ดับไปก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวมาใหม่ก็ใช้ปัญญาแล้วก็ดับไปมันก็เลยเหมือนผู้รู้ที่รู้จริงสุดท้ายมันก็เหลือผู้รู้ธรรมชาติที่รู้ ดังในพมจันทร์ของผู้เจ้าพระองค์จึงสรุปว่ามีศิกขาเป็นอนิสงสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็คือข้อปฏิบัติของเราเนี่ยสีก็คือสภาวะที่จิตเราเป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายสมาธิก็คือการที่จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายมากขึ้นจนตั้งมั่นขึ้นมาเรียตัวสมาธิปัญญาก็คือเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยูด่ดับไปนี่คือศีลสมาธิปัญญาก็รวมกันเป็นมัค ก, ก็ได้มัค ก, ก็คือว่า ปัญญาชอบสมาทิฐิเห็นว่าเออไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเกิดขึ้นตั้งมีดับไปหรือว่าเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรดมักคือตัวปัญญาที่แท้จริงก็คือเห็นอริยสัจสี่นั่นจะต้องไปถึงนอริย ส, สัจสีจริงจะเป็นัญาที่สูงขึ้นเรื <c oughs> ่อยๆนั่งสมาสังกปะเมื่อเห็นแล้วมันก็อยากออกอยากเป็นอิสระไม่อยากยึดไม่อยากติดไม่อยากคล้องอันนี้เป็นฝ่ายปัญญาถ้าฝ่ายเชื้อ ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะทั้งกายทั้งวาจาใจทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ฝ่ายสมาธิคือส ม, มาสติสัมมาวายามะแล้วก็ส ม, มาสมาธิเป็นฝ่ายกำลังเห็นว่าบางครั้งมีกำลังมีตัณยามากๆรู้เข้าใจไปหมดแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะกำลังไม่พอกำลังไม่ถึงอนะเหมือนอยากจะตัดต้นไม้รู้ว่าตัดนี้ต้องยก พ้าคมคมเตรียมมีดคมคมพลาคมคมขวานคมคมแล้วต้องเจื้องฟันลงไปแรงแรงจนมันขาดพอมันขาดถึงที่ข้างมันก็โค่นลงไปได้แต่ที่นี้กําลังเราไม่มีมีดก็คมเตรียมไว้หมดแล้วอ่ะถึงที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่กําลังที่จะยกมีดพลาหรือขวานขึ้นมาสั่นต้นไม้ เพราฉะนั้นมันต้องประกอบกันหมดเลยศีล ส, สมาธิปัญญาตัวสมาธิก็จําเป็นตัวการปฏิบัติตัวสํารวมระวังเรวนองแรกจะเป็นสมาธิหมดเลยที่สติเข้าไปรักษาจิตของเราให้ตั้งมัน่นเมื่อตั้งมั่นแล้วจึงจะรู้สภาพาาาาธรรมตามความเป็นจริงแล้วจึงจะปล่อยวางสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นได้เดีย๋ยวเพราะนนทางของพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุสมบูรณ์แล้วถ้าเราปฏิบัติเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็จะเกิดขึ้นเอง ที่ปล่อยวางได้พราะ้ามีศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นอาิสุงถ้าหาวลาเราปฏิบัติแล้วเองสภาพจิตเราเป็นปกติปับ๊บจิตเรามีความมั่นคงขึ้นมารู้ทาตามความเป็นจริงได้อันนี้เรียกว่าบรรลุเป้าหมายบรรลุวัตประสงค์ของการประพฤติภพภัณฑ์แล้ตัวสติเนี่ยท่านย่ามันเป็นอาธิบดีสต้าทิปติยาสติเป็นเหมือนตัวจัดการตัวจัดแจงให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง จัดการให้จิตเราอยู่นะให้เป็นสมาธิขึ้นมานะจัดการให้เข้าที่าทารประตางสมาธิตัมุขขาตัวสมาธินี่ยเป็นตัวเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของธรรมทั้งหมดทุกอย่างก็ต้องเข้ามาหาจิตที่เป็นสมาธินี้ไม่งั้นมันอยู่ที่จิตเราไม่ได้ตัวจิตก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดปัญญุตราปัญญานี้เป็นสิ่งสูงสุดต้องรู้ความจริงให้ถึงที่สุดของมันแล้วมันจะถึงความวิมุติ วิมุตติสาระวิมุตต์คือเป้าหมายคือสาระสุดท้ายคือวิมุตติเนี่ยเป็นสาระเป็นแก่นสารเพราะนั้นที่ปฏิบัติมาทั้งหมดถ้าหากว่ามันตรงกับทางขครูเจ้าก็คือว่ามีสีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็มีสติเป็นตัวจัดการแล้วก็มีสมาธิเป็นศูนย์รวมของจิตใจมีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดโดยมีเป้าหมายคือ ความหลุดพ้นจากทุกข์งสาระเป็นแข่งสารเอาละเรามาถึงที่ประทับของพระเจ้าแล้วเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ฟังทรรกันเต็มที่แล้วต่อไปนี้เราจะได้กราบพระเพื่อที่จะล่ำลาพระพุทธเจ้ากันตรงนี้นะ